และผมอยากจะเรียนเกี่ยวกับตึกสง่าภาสโรงพยาบาลศรีนครินคือสาเหตุที่ได้ทำตัวนี้ขึ้นมาคือเรื่องมาจากวันที่ยีิบเก้าเมษาทางคือสง่าพาสได้ขอให้ไปทอดพระปาบพื่อให้รวบรวมผูบาดเจาบไปทอดพอะปราได้ได้ถูกใจล้านแปด จานั้นผมก็่านนักเตะแล้วไปในที่นี้พอมาช้างหลังเขาจะย้ายศึกขอสงขึ้นไปทั้งหมดในที่บอคณะกรรมการมูลนิธของหลวงปู่เนี่ยไปพูดกับคณะก ร, รมีมกับปออเขารบอกขอให้กัณฑการยเขาไปช่วยพูดด่วยผมก็เลย ท, าทํานังสฉบับนี้เข้าไปชี้แจงว่ามีความจำเป็นมากน้อยอย่างไรแครไหนจริงขอขอสงข์ทั้งชั้นก็เลยมีหนังสือฉบับนี้ ก็จะอยจะให้ทูบาลอาจารย์ออกมาวันนี้ไม่รับูรับสารเพเขาเสนอประธานผมก็เลยเข้าไปเกเพื่อคณะสงฆ์ผมก็เลยทำหนังสือเสนอต่อคณะบวรีและก็ขอของคณะกรรมการที่จะขอชั้นสิททั้งชั้นแล้วผมจะให้อ่านข้อเสนอให้ทูบาอาจารย์รับผู้รับสารตัวที่เกี่ยวข้องทั้งภาคตอนออกชสียเหนือทัอ้งหมดโดยเฉพาทั้งทั้งประเทศก็ได้ ที่จะย้ายหอสงอาพาตและสำนักงานกองทุนพระราชนิโรธรังสีคำมพีรปัญญาวิสิทธ์หลวงพุทธเทสังสีไปอยู่ณชั้นที่10บของตึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรตึก1ิกชั้นเนื่องจากหอสงฆ์เดิมมีความคับแคบอัตมาภาพมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและใครขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่แห่งใหม่ที่จะมารองรับหอสงอาพาศเดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถรองรับแผนระยะยาวของการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดที่ทวีจํานวนมากขึ้นได้อย่างเต็มศั ก, กยภาพจึงขอเสนอแนวคิดเพื่อพิจารณาดังนี้ เมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในการรับผู้ป่วยหอสงอาพาตตามเอกสารที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคม2548ที่ผ่านมาได้ระบุเกณฑ์ในการรับพระเทรานุเทรัที่อาพาธให้เข้ารับการรักษาได้ดังนี้ 1. พระภิกษุชั้นผู้ใหญ่พันษาตั้งแต่20พันษาขึ้นไป 2. พระผู้มีอุปการะต่อโรงพยาบาลและกองทุนหลวงพุทธเทศรังสี 3. พระภิกษุสามเณรอาพาธ ที่ป่วยด้วยโรคทั่วไปไม่จำกัดทุกภาควิชาตามดุลพินิษของแพทย์เจ้าของไข้หอสงแห่งใหม่น่าจะได้พิจารณาแผนการรองรับจำนวนของพระเถระที่มีจำนวนมากขึ้นตามโครงการถวายการดูแลรักษาสุขภาพของพระเถระซึ่งครอบคลุมพื้นที่การดูแลพระเถรานุเถระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด สถานที่แห่งใหม่น่าจะได้เพิ่มขยายตัวเป็นสัดส่วนกับจำนวนพระสงฆ์ที่คาดว่าจะเพิ่มจานวนมากขึ้นดังกล่าวนั้นด้วยการขอใช้พื้นที่ในหอสงฆ์แห่งใหม่เป็นพื้นที่ทางชันก็เนื่องจากความต้องการและความจำเป็นที่น่าจะได้พิจารณาประกอบดังต่อไปนี้ 1. ความเป็นเอกเทศเนื่องด้วยข้อจํากัดด้านหลักพระธรรมวินัย กล่าวคือเมื่อพระสงฆ์มาพักอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานจะต้องมีพระภิกษุมาเฝ้าถวายรักษาพยาบาลการปฏิบัติตนของท่านย่อมต้องการความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัยว่าด้วยการคลองผ้าเป็นต้นพระสงฆ์เมื่อจะเดินออกมาจากห้องหากไม่คลองผ้าก็จะดูไม่เหมาะทาให้เป็นการลำบากและอึดอัดต่อพระท่านผู้สารวมระวังในวินยัยศีลของท่าน และมีวินัยหลายข้อในศีล227ข้อเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับญาติโยมหญิงชายฉะนั้นคณะผู้ตัดสินใจครั้งแรกน่าจะต้องมีความรอบครอบและมองในระยะยาวไกลอีกด้วยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและสัปปะยะต่อการดำเนินปฏิปทาของท่านอีกด้วยโดยเฉพาะพระภิกษุจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับข้อห้ามว่าด้วยการอยู่ร่วมกับอนุพสมบันิคือผู้ที่ไม่ได้เป็นภิกษุด้วยกัน เช่นสามเณร ญ, ญาติโยมผู้ชายไม่อยู่ค้างคืนในที่มุงที่บางเดียวกันเกินสามคืนและข้อห้ามว่าด้วยการอยู่ร่วมกับสตรีไม่อยู่ค้างคืนในที่มุงที่บางเดียวกันแม้คืนเดียวถ้ากรณีมีฆราวาสผู้ชาย ผู้ป่วยชายมาอยู่ในชั้นเดียวกันจะต้องมีพี่น้องหญิงชายมาเฝ้าไข้ทำให้ไม่เกิดสัปพายะแก่ครูบาอาจารย์ผู้เคร่งในวินัยศีลของท่านเพราะจะเป็นการล่อแหลมให้ผิดต่อหลักธรรมวินัยได้ง่ายสาเหตุเพราะไม่ได้แยกกันให้เป็นสัสดส่วน เมื่อจะถวายความสะดวกให้แก่พระสงฆ์แล้วก็ควรจะถวายความสะดวกแก่ท่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหอสงอาภาพาจึงจะสามารถดำรงบทบาทในฐานะเป็นสถานที่เหมาะสมต่อการรักษาสอดคล้องกับปฏิปทาข้อปฏิบัติอันจะทำให้การรักษาสมริดผลอย่างมีประสิทธิภาพสมตามความประสงค์และเจตนารม์ของโรงพยาบาลอย่างแท้จริง 2. การบาเพ็ญสมณ ก, กิจ ด้วยเหตุที่พระภิกษุสงฆ์มาอยู่ในโรงพยาบาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประจำเป็นการถาวรจำเป็นต้องมีสถานที่เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจเช่นหอสวดมนต์ไหว้พระห้องบำเพ็ญจิตภาวนาสถานที่ฉันพัตนาหารของพระภิกษุผู้มาเฝ้าไข้หรือมาเยี่ยมไข้และสถานที่บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส ต, ต่างๆเป็นต้นจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางเป็นสัดส่วนพอสมควรเพื่อรองรับาศาสนกิจดังกล่าว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือตึกสอง่าภาทที่วัดบรวรนิเวศวิหารสร้างเมื่อปีพศ2496สร้างตึกสามัคคีพยาบาลขนาดสูง2ชั้นปี2525 25สร้างตึกวชิรยานวงขนาดสูง4ชั้นและปี2529สร้างตึกวชิรยานสามัคคีพยาบาลขนาดสูง6ชั้น ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและทางโรงพยาบาลได้ถวายพื้นที่การใช้สอยทั้งชั้นเพื่อการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธพร้อมมีหอพระห้องปฏิบัติศาสน ก, กิจห้องประชุมฟังธรรมและบำเพ็ญกุศลเป็นต้นเป็นสัดส่วนแม้จะมีห้องคนไข้คารวะก็จะจัดแยกไว้เป็นเอกเทศอีกชั้นหนึ่งโดยไม่ปะปนกัน 3. บุรุษพยาบาล หากโรงพยาบาลสามารถจัดหาบุรุษพยาบาลมาดูแลรักษาเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับการปฏิบัติในตึกสงอาพาธโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อถวายความสะดวกด้านการรักษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอันเนื่องจากความจำเป็นต้องติดต่อสัมผัสทางกายภาพเป็นต้นและเพื่อให้เป็นแบบอย่างสำหรับการรักษาพยาบาลพระสงฆ์ในที่อื่นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาค เพราะที่ผ่านมาพระสงฆ์เองเหมือนต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่ได้รับความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลเท่าที่ควร เพราะความขัดข้องเกี่ยวกับการขาดบุรุษพยาบาลมาถวายการดูแลรักษาทำให้ท่านขาดความสนใจที่จะไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนับตั้งแต่เกิดอาการของโรคในระยะแรกจนกระทั่งโรคได้กำเริบถึงขั้นรุนแรงแล้วจึงถึงเข้าโรงพยาบาลจากสาเหตุความต้องการและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นพื้นที่ในชั้นที่สิบ หากได้ใช้อย่างเต็มพื้นที่เพื่อประโยชน์ของพระสงฆ์ดังกล่าวแล้วก็จะเป็นบุญกุศลอย่างเต็มที่ดังอานิสงค์ของการผู้ดูแลพยาบาลภิกษุข่ที่พระพุทธองค์ก็ทรงสันเสริญโดยทรงเป็นแบบให้พวกเราได้ดำเนินตามแม้อาตมาภาพจะเสนอขอพื้นที่ใช้สอยของชั้นสิ ต, ตลอดทั้งชั้นแต่ครนั้นก็ตามก็ยังเห็นด้วยกับแนวปฏิบัติในการรับผู้ป่วยหอสงอาา่าพาดข้อที่ห้า เกณฑ์การขอใช้เตียงหอสงฆ์ของผู้ป่วยขราวาสในกรณีมีสาธารณภัยร้ายแรงเช่นภาวะสงครามภาวะโรคระบาดร้ายแรงให้พิจารณารับผู้ป่วยขราวาสเข้ารับการรักษาได้เมื่อไม่มีเตียงว่างในโรงพยาบาลทั้งนี้ให้พิจารณาเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกับพระภิกษุอาพาธเช่นไม่เออะโวยวายเป็นผู้ชายเข้ารับการรักษาเท่านั้นและแพทย์เจ้าของไข้ต้องตระหนักว่า หากมีพระภิกษุอาพาธจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในตึกหอสง จะต้องย้ายผู้ป่วยคราวาตไปหอผู้ป่วยอื่นๆได้ทันทีจึงใคร่ขอให้ท่านผู้บริหารผู้มีส่วนตัดสินใจได้พิจารณาแผนการใช้สอยในระยะยาวของตึกสง่าพาศแห่งใหม่เพราะในส่วนของสถานที่พยาบาลสําหรับคราวาตก็ได้รับพื้นที่เพิ่มเติมพอสมควรอยู่แล้วคงจะเพียงพอใช้งานได้ในระยะยาวอีกทั้งเจตนาเดิมของคณะผู้บริหารที่ต้องการถวายความสะดวกแก่พระสง่าพาศด้วยการย้ายหอ ซึ่งเป็นสถานที่คับแคบไปสู่สถานที่แห่งใหม่ที่มีขนาดใช้สอยเพิ่มขึ้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ตึกสงอาพาธแห่งใหม่น่าจะได้รับการใช้พื้นที่ตลอดทั้งชั้นเพราะคาดว่าคงอีกนานกว่าที่หอสงอาพาธจะได้มีโอกาสขยายพื้นที่อีก การทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้การรักษาพยาบาลพระเถรานุเถระเกิดคุณประโยชน์สูงสุดและเป็นบุญกุศลสูงสุดคงไม่มีภาคใดๆในประเทศที่จะได้มีโอกาสดูแลพระเถรานุเถระโดยเฉพาะสิทธิสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญจำนวนมากเท่ากับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากบุญกุศลที่ได้รับแล้วกำลังได้รับและจะได้รับอัตมาภาพมั่นใจว่า ก, กิตติคุณกิตติศัพ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็อ ย, ย่อมจะฟุ้งขจรไปไกลอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่คณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งปวงนอกจากนั้น การบุญกุศลที่พวกเรามุ่งบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ก็ย่อมจะบรรลุผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นกองบุญกองกุศลที่บริสุทธิ์ใสสะอาดและเป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งมหามงคลสมัยอันเวียนมาถึงจึงขอจเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบการจะควรไม่ควรประการใดสุด แต่ท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ท่านผู้อานวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจะพิจารณาเห็นสมควรลงชื่อพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกที่ปรึกษาฝ่ายทรงราชการคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สท0514 จุดเจ็ดจุดสามจุดหนึ่งทับสามหนึ่งสองวันที่31กรกฎาคม2 5 4 9เรื่องข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหอสงแห่งใหม่ กราบนำมรสการท่านพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกโลและคณะสงฆ์ตามหนังสือจากวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีที่พิเศษทับ 2,549 ลงวันที่17กรกฎาคม2549เรื่องขอเสนอหลักเหตุผลต่อผู้มีส่วนตัดสินใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาหอสงฆ์แห่งใหม่นั้นทางคณะแพทยาศาสตร์ได้รับแล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่งและการที่พระคุณเจ้าและคณะสงฆ์ได้มตามาให้คาแนะนาและมาเยี่ยมชมรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ที่มีคุณค่าแก่คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศีนครินทร์รวมทั้งคณะกรรมการหอสงอาพาศในการจัดหอสง่าแห่งใหม่ซึ่งตรงกับนโยบายของโรงพยาบาลศีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ที่จะให้การบริหารภิกษุอาพาธให้สามารถรองรับพระเถระและภิกษุอาพาธได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญเป็นไปตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้า ท, ทรงบัญญัติไว้ โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาข้อเสนอในเรื่องความเป็นเอกเทศการบำเพ็ญศาสนากิจและการพยาบาลก็จะพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระคุณเจ้าเสนอทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถความเหมาะสมและข้อจํากัดของโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์ได้พิจารณาในเรื่องหอสงอาพาศแล้วได้มีข้อสรุปดังนี้ 1. ห, หอสงอาพาศย้ายไปชั้นสิบของ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์อาคารตึก19ชั้นโดยเป็นพื้นที่ทางชั้นอย่างไรก็ตามยังคงแนวปฏิบัติในการขอใช้เตียงสงของผู้ป่วยคารวาดไว้ตามเดิม 2. หอสงอาพาธจัดให้มีผู้ป่วยพิเศษ VIP 4ห้องมีห้องพิเศษติดลามินาแอร์ฟลึว1ห้องเพื่อแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ห้องพิเศษรวม8เตียงที่เหลือเป็นเตียงสามัญ26เตียงรวมทั้งหมด38เตียง 3. หอสงฆ์มีห้องสวดมนต์ห้องพระสำหรับพระภิกษุเพื่อปฏิบัติศาสนกิจทํทำบำเพ็ญจิตตภาวนาและฉันพัทหารของภิกษุผู้เฝ้าไข้สา ม, มารถจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆโดยมีพื้นที่รองรับญาติโยมที่เหมาะสม 4. หอสงฆ์จะดัดแปลงโครงสร้างของตึกเท่าที่มีความจำเป็นโดยพยายามให้กระทบโครงสร้างหลักน้อยที่สุดสําสำหรับงบประมาณการตกแต่งภายในและต่อเติมใน ห, หอสงฆ์นั้นโรงพยาบาลมีงบประมาณจำกัดหากพระคุณเจ้าและคณะสงฆ์พร้อมลูกศิษย์หรือญาติโยมจะจัดหางบประมาณให้เพิ่มเติมจะเป็นพระคุณแกโรงพยาบาลอย่างสูง 6. โรงพยาบาลจะจัดการบริหารรักษาพยาบาลถวายพระเถระและพระภิกษุอ า, าพาธอย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพของโรงพยาบาลเพื่อเป็นต้นแบบการบริการพระภิกษุอ า, าพาธตามพระธรรมวินัยเป็นแบบอย่างให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยเ หากพระคุณเจ้าและคณะสงฆ์จะมีข้อเสนอแนะประการใดที่คิดว่ามีประโยชน์ขอให้ท่านเมตตาให้คำแนะนำเพื่อให้ทางคณะแพทยศาสตร์ได้พิจารณาเพื่อพัฒนางานของโรงพยาบาลสืบไปเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550 คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความตั้งใจที่จะจัดหอสง์อาพาดแห่งใหม่เพื่อถวายเป็นพระราช ก, กุศลใดองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พูทธศาสนาและพุทธศ า, า, าสนิกชนสืบไปจึงนมัส ก, การมาเพื่อโปรดทราบและกราบขอบพระคุณอย่างสูงในความเมตตาจากพระคุณเจ้ามานาโอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรุณเหล่าพัทรเกษมคณบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ตามหนังสือของท่านคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในข้อที่5เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์และท่านผู้มีจิตศรัทธาเห็นว่าหอสงฆ์ของโรงพยาบาลศรีนครินเป็นแหล่งเนื้อนาบุญมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำคัญอาทิหลวงปู่มหาบุญมีสริธโรพระอริยเวทีหลวงปู่มหาเขียนหลวงปู่ล่าเขมปัตโตหลวงปู่ลีทิตธรรมโมหลวงปู่อุ่นชาคารโหลวงปู่ถิน่น ทิตะธรรมโมและหลวงปู่ทวยเทพเป็นต้นที่อาพาธไปเข้าทำการรักษาจนกระทั่งละสังขารสมควรอย่างยิ่งที่คณะศิสยานุสิทธิ์จะได้ช่วยกันสนับสนุนในฐานะเป็นหอสงฆ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มหาเถระชั้นผู้ใหญ่สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต รวมทั้งเป็นหอสงฆ์สำหรับพยาบาลภิกษุสามเณรอ า, าพาธทั่วประเทศและทั่วโลกจึงใคร่ขอกราบเรียนครูบาอาจารย์และเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาพยาบาลภิกษุอ า, าพาธทำการบริจาคเพื่อการจัดหาสิ่งสัปพายะจำเป็นเหมาะสมต่อการรักษาภิกษุอ า, าพาธของหอสงฆ์อ า, าพาธแห่งใหม่ชั้นสิบ ตึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอแจ้งมาเพื่อโปรโดพิจารณาช่วยกันพระอาจารย์อินทวายสันตุสโก